กับท่านอาจารย์หมาทองตุกและท่านพระอาจารย์โกงมาฟังเทศฟังคำท่านพอประมาณแล้วประลำลาเลิกกันพตาพระเจ้าก็เที่ยวไปตามแถวภูพานเที่ยวลงไปทางเมืองตะบลราชธานีแล้วจะไปเที่ยวภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปสู่เมืองตะบลอำเภอวารินสําหรับจังหวัดตะบลซึ่งเป็นสถานีรถไฟคือที่จะไปขึ้นรถไฟ ที่หัวสถานีอำเภอวารินสำราบรเพื่อนได้ไปพบกับท่านพระอาจารย์ลีธรรมะโรท่านพักอยู่ที่วัดป่าวารินเลยเข้าไปนมััรการสนทนาธรรมกับท่านขอสมควรในคืนวันนั้นและรุ่งเช้าก็ขึ้นรถไฟสายบนไปเชียงใหม่เมื่อไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปพักอยู่ที่วัดเจดีหลวง พักผ่เวกอยู่แถวนั้นอยู่ในวัดเจดหลวงประมาณสามเดือนในขณะนั้นในขณะที่อยู่วัดเจดหลวงนั่นก้าพไปเจ้าอยู่ในโบสถ์วัดเจดหลวงนั่งภาวนาอยู่เลยเกิดนิมิตภาพขึ้นขณะที่นั่งภาวนาปรากฏพระมหาเถระรูปหนึ่งทานมาให้โอวาตต์ักเตือนว่าทานจวน ถ้าท่านจะเป็นผู้ใหญ่คนนั้นท่านอย่าวางแผ่นดินเพราะความประพฤติของท่านยังไม่สม่ำเสมอดังนี้แล้วท่านก็หายไปข้าพระเจ้ามากำหนดพิจารณาลูนิมิตนั้นคำว่าแผ่นดินหมายถึงว่าให้มีใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินนั่นเองเมื่อถูกกระทบกระแทกจากอารมณ์ต่างๆ ก็ อ, อยาตั้งใจให้วอกแวกให้มีสติกำหนดให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่วันไวฟุ่งซ่านเหมือนแผ่นดินตอนนี้ข้าพระเจ้าได้เขียนจดหมายกาป ร, ร, รียนท่านพระอาจารย์มั่นที่สกคนครวัดป่าวันน้องขืออำเภอพัรณนาโดยด่วนว่าขอกาป ร, ร, รียนพรอแม่คุาบาอาจาจรย์ที่เคารพอย่างสูงกราบ็ผม นั่งภาวนาเกิดภาพพิมิตรปรากฏพระมหาจระมาพูดว่าท่านชวนถ้าท่านจะเป็นผู้ใหญ่เขานั้นท่านจะวางแผ่นดินเพราะความประพฤติของท่านยังไม่สม่ำเสมอดังนี้กระผมเป็นผู้มีสติและปัญญาน้อยไม่สามารถรู้ว่าอะไรเป็นแผ่นดินขอทีมนุพย์แม่ครูบาอาจารย์โปรดประทานให้โอวัตตักเตือนด้วยท่านก็ได้ตอบจดหมายว่า ถึงท่านถึงท่านจวนที่อะไรยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้แนะนำให้ท่านนั้นขอให้ท่านจงตั้งอกตั้งใจประพทธิบัติดำเนินไปตามคำที่ผมแนะนำอย่าประมาทเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระพุทธศาสนาต่อไปนี่ในจดหมายของท่านตอบต่อจากนั้นข้าพระเจ้าก็เลยออกวิเวกตามแถบ อรอบๆเมืองเชียงใหม่ในระยะหนึ่งไปอยู่ที่อุบมุงข้างสนามบินจังหวัดเชียงใหม่เต็นดอยสุเทพทิศตะวันตกของสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นมีเจดีย์เก่าและเขาทําเป็นอุบมุงไว <c oughs> มีถ้าเป็นช่องเป็นช่องพระเจ้ากับพักพวกพากันไปพักิเวศที่นั่นในที่นั่น ตอนกลางคืนได้มิตอีกปรากฏว่าข้าพเจ้ากับท่านพระจาย์มั่นได้พากันทําหีบศพอยู่ที่บนเจดีย์และในขณะที่ข้าพเจ้ากับท่านพระจารย์มั่นทําหีบศพอยู่นั่นปรากฏว่าท่านเจ้าคุณบาลีชริจันโทคุณุโมาจาย์ทริจันโทจันเจ้าอาวาสวัดบรมยวาส ท่านเหอะมาทางอากาศมายืนตรงหน้าข้าพเจ้าแล้วท่านก็ให้โอวาตว่าท่านจวนอุเปกขินดาริยังท่านว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าได้ยินก็เลยกําหนดแปลดูว่าอุเปกินดารยังแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้วางินทีทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและ ร, รมอารมณ์ดีก็ตามชั่วก็ตาม วางใจเป็นอุเปบปกขามัธยัตยเป็นกลางๆด้วยความมีสติและปัญญาอย่าเอาใจไปฟั่นเปือยรุ่มหลงในอารมณ์นั้นๆันที่มากระทบแล้วท่านก็นหายไปถ้าพระเจ้ากำหนดพิจารณาตามนิมิตนั้นว่าพรุ่งนี้อาจจะมีอันตรายหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแน่พอดีตื่นเชา้าสันเสร็จมูพวกก็ไปหาเที่ยว ชมดูสถานที่ต่างๆในเมืองเชียงใหม่ยังแต่ตัวข้าพเจ้าผู้เดียวอยู่ในถ้ำนั่นในกลางวันก็มีพวกสีกาสาวสวยเชียงใหม่พวกดาราเชียงใหม่ไปเที่ยวแล้วก็ไปชอบหาพระมีสีกา ส, สาวรูปหล่อคนหนึ่งชอบค้นหาพระคนไปคนมาเห็นข้าพเจ้านั่งอยู่ในถ้ำในช่องถ้ำแห่งหนึ่งสีกานั่น เขาเครื่องนุ่งของเขาเขินๆแล้วก็มีเสือ้อคล้องเพรเขาไปเห็นข้าพเจ้าเขาก็ทักท้วงว่า น, นี่ตุเจ้าอยู่นี่ตุเจ้าอยู่นี่ยืนเพ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพ่งไปเพ่งมาเขาเลเห็นนมของเขาเต็มอกแล้วก็เพ่งลงไปข้างล่างนุ่งเครื่องนุ่งของเขากระบางๆเป็นสินส ก, ก, กัดก็เกิดความก้อหนักขึ้น แต่ข้าพระเจ้าวันพูดอะไรพอกเกิดพระนณดขึ้นเท่านั้นก็นลิกถึงคำเทศของท่านเจ้าคุณบรีคุณภูมิมาจา ร, ริจันโถว่าอุเบกจินาริยังกเกลยพิจารณาอบายนั้นจิตก็เลยสงบยิงคนนั้นออกไปเรียกหมู่คณะมามากราบมาไหว้แล้วเขก็เอาของมาทานแล้วก็าากให้พรเขาเขาก็เลิกละไปทํำกมลาคําเพียรอยู่ในค่ำนั้น พอประมาณเลยเที่ยวเวกไปตามแถบเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงบ้างอำเภอแม่แตงบ้างและแถบจังหวัดลำพูนบ้างไปตามรอยตามเขานั่นแหละจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่สองพรรษาแล้วก็เดินไปวเวกที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปเที่ยวเดินในเวก ไปทางพม่ า, มาเชียงตุงไปอยู่จงังหวัดเชียงตุงสามเดือนเกี่ย ว, วกับในแถบนั้นเดินจากอำเภอแม่สายเจดไทยเดินทางนั้นเดินด้วยเท้าเปล่าทางนั้นจากอำเภอแม่สายก็ถึงจังหวัดเชียงตุงเดินถึงเจ็ดคืนเจ็ดวันจึงถึงมีตะดอยด้วนลว น, ลวนไปกับแนนหนึ่งกับโยมคนหนึ่ง แล้วไปพักทีเวกอยู่ที่จังหวัดเชียงตุงบนดอยเขาเรียกว่าดอยแปลที่เขาทำวิหารไว้บนดอยสำหรับพวกเขินพวกเงี่ยวอาศัยบิณฑบาตบ้านตินดอยรอบนั่นแหละไปอยู่นั้นสามเดือนดอยนี่สำคัญมากเวลาพบข้ามมีพวกเสือมาร่องมาคางให้ฟังทุกวันทุกวัน และในขณะที่อยู่เชียงตุงนั่นข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะออกไปประเทศอินเดียเลยไปพูดกับเจ้าสิทธิเชียงตงุงหรือสังคราชเชียงตงุงว่าอยากเดินทางออกไปทางย่างกุ้งและอินเดียจะไปได้ไหมท่านก็มีความยินดีว่าไปได้แต่ต้องโอนเข้าเป็นพระเมืองท่านก็ยอมรับจะโอนข้าพเจ้าเข้าเป็นพระเมือง แต่ยังไม่ได้ออนค่าพระเจ้าก็เลยอธิษฐานจิตลองดูถ้าว่าถ้าว่าพระเจ้าไปอินเดียดีขอให้นิมิตภาพปรากฏเป็นที่พอใจถ้าไปนี่มีเหตุอันตรายขอให้นิมิตไล่ดูมากเลยเกิดนิมิตขึ้นปรากฏเห็นพระพุทธเจ้าและพระ อ, อ น, นุ์พระมหากัสสะและฌาง ปรากฏในจิตที่ขณะภาวนาเห็นพุทธเจ้าเสด็จไปก่อนพระอานุนขาวบริสุทธิ์หมดจดพระอนุนเสด็จตามหลังห่างกัน ร, ระยะประมาณสักสิบเมตรและกษีสามเป็นพระมหากัศปะเดินตามหลังมาอีกทีสี 4. เป็นช้างใหญ่ตามหลังพระมหากัศปะมานี้ปรากฏภาพในนิมิต ทางก็นั่นพอมาถึงข่าพระเจ้าวิ่งก็มาหาข่าพระเจ้าหวังจะแทงข่าพระเจ้าจะฆ่าข่าพระเจ้าทำลายข่าพระเจ้าวิ่งเข้ามาเลยวิ่งจูข้าไปหาข่าพระเจ้ามีปรากฏในภาพในมิตนั้นหวังจะขยี้ข่าพระเจ้าให้แหลกเหล้ยวนั่นเองในขณะที่ช้างวิ่งมาปรากฏว่าข่าพระเจ้านั้นได้วิ่งขึ้นต้นโพต้นหนึ่ง พอดีช้างวิ่งมาถึงข้าพเจ้าก็ถึงข้าพบของต้นโพช้างก็เลยไม่ได้ทําอะไรช้างก็เลยเดินตามหลังพระ ม, มหากัตระย์ไปเมื่อช้างไปแล้วข้าพเจ้าจึงลงจากต้นโพเมื่อลงมาถึงอคนต้นโพแล้วมีอาสนะและมีหมอนใบ ห, หนึ่งที่ตั้งไหวหรือปูวไหวติดกับต้นโพ ข้าเจ้าลงมานั่งอาสนะพิงหมอนและก็มีหนังสือเล่มหนึ่งใหญ่ๆ ห, หนาประมาณสามนิ้วข้าพเจ้าก็อ่านดูหนังสือนั่นผินหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกอ่านพอประมาณแล้วก็เลยตื่นจากนิมิตก็เลยมาพิจนารณานิมิตนั่นได้ความว่าไม่ควรไปประเทศอินเดียเพราะไม่สะดวกข่นกลับ พาพระเจ้าอะไรตัดสินใจกลับจากเชียงตุงถึงท่านพระอาจารย์มัน่นข้ากลับนี่ขี่รถจากเชียงตุงมาแม่สายตั้งแต่หกโมงเช้าขึ้นรถหกโมงเช้าจากเชียงตุงถึงแม่สายสามทุ่มแล้วขึ้นรถจากแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงพายชีแล้วก็มานมัสกรารประบาดลบบรุรีจากนั้นก็ขึ้นรถ มาพักที่อุบลราชธานีพอประมาณแล้วก็เดินทางมารนมัตรการท่านพระอาจารย์ใหญ่มัน่นที่บ้านนอ้องขือทานพระอาจารย์ใหญ่มั่นถามว่าเป็นยังไงจากไปสองปีแล้วการภาวนาไปถึงไหนบ้างเที่ยวการเรียนท่านให้ทราบว่าไปถึงเสียงตุงการภาวนาไม่สู้ดีเหมือนดูกับพ่อแม่ครูาบาอาจารย์ ทานกา็เลยว่าใช่แล้วขณะที่ผมอยู่ภาคเหนือมูได้อาศัยผมเมื่อผมกลับมาแล้วภาคเหนือไม่มีใครอาศัยไม่สู้ดีนักต่อจานี้ไปท่านจวนอย่าไปอีกให้พัฒนาอยู่แถวภาคอีสานนี่แหละมันดีแล้วมีท่านแนะนำและพย้อนกล่าวอีกเพื่อให้ประวัตินี้บริบุน ตามจรในขณะที่ข้าพเจ้าจำมัน่นษาอูร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นในทางภาษานั้นได้แค่นิดปรากฏขึ้นว่าข้าพเจ้านีตะเกียงคมรั่วใบหนึ่งแล้วฉีดไม่ฉีดไปจุดจะเกียงคมรั่วต่อหน้าท่านพระอาจารย์มั่นไม่ติดข้าพเจ้าจุดเทายาเทายังไม่ติดไฟไม่ติดท่านพระอาจารย์มั่นก็เลยเอาตะเกียงของข้าพเจ้าจุดให้ท่านฉีดไม่ฉีดไฟจุดให้ลูกเดียวก็ติดแล้วก็หมุนขึ้น แสงสว่างพประมาณมาเอาละขนาดนี้ก็ประมาณท่านก็ยืนให้ไปเ น, น้นนิดนั้นอันหนึ่งไม้ะที่อยู่รวมจามัสสาสักพันและเเนนิดนั้นะที่รวมอยู่จามัสสากัท่านนั้นปรากฏว่ า, านพระอาจารย์มั่นผู้ดุตัมาระข่านอ่านหนังสือเล่มนึ่งปรากฏในเน้ดนั้นหนังสือนั้นใบปกปกหลังหนังสือลายจิพิสดานและก็มีสลักตัวอักษรว่าหนังสือสเตต่างๆหนาประมาณสานิ้ว ในหนังสือนั่นท่านอ่านอยู่ในขณะที่ท่านอ่านหนังสืออยู่นั่นปรากฏว่าพระองค์จิตถลายนั่งรอท่านอยู่หลายองค์ข้าพระเจ้านึกในใจว่าหนังสือที่ท่านอ่านนี้ท่านจะให้องค์ไหนเนาะพอท่านอ่านจบแล้วท่านจะยืมหนังสือให้ข้าพเจ้าแล้วก็ท่านบอกว่าเอ้าหนังสือนี้ท่านควนเอาเพราะท่านนดูแล้เข้าใจดีผมดูไม่เข้าใจดีเท่าไรแต่ท่านดูแล้วเข้าใจดีท่านเลยมอบให้ข้าพเจ้าในหนังสือเดิมนั้นนี่นิมิตภาพ ในขณะที่อยู่ร่วมจำตากับท่านพระอาจารย์มั่นจะเป็นเพราะเหตุอะไรไม่ทราบข้าพเจ้ามาได้พิจารณาในนมิตรเรื่องนี้ทีนี้เมื่อกลับจากเสียงตุงมาถึงท่านพระอาจารย์มั่นท่านกระถามเรื่องราวการพ่อนาเลยกาเปียนท่านว่าไม่สู้ดีนักไม่เหมือนอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเดินทางมาจากเสียงตุงมาพักอยู่บ้านได้อยมมารดาเข้าบวชเป็นชี ท่ารเอยแต่งข้าพระเจ้าให้ประจําพรรษาขยมบรรดาเพื่อโปรดยมบรรดาและก็แต่งพระเถระองค์หนึ่งกลับกลับไปด้วยซึ่งเป็นหลวงพ่อขมไอคนจังหวัดเชียงใหม่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นนั่นเองและท่านก็ได้คำสั่งข้าพระเจ้าไว้ว่าเมื่อออกพรรษาแล้วรีบกลับมาหาผมเดี๋ยวจะไม่ทันผมดังนี้เพราะเรื่องนี้ท่านได้ประกาศให้พระ ลูกศิษย์ทั้งหลายทราบแล้วมาหลายปีล่วงหน้าไว้ท่านกำหนดอายุของท่านว่าผมเพียงอายุแปดสิบปีเท่านั้นก็จะมรณะภาพแล้วดังนี้เพราะในระยะนั้นหรือปีนั้นก็พอดีอายุของท่านแปดสิบปีพอดีเมื่อออกควัญจาแล้วข้าพระเจ้าก็รีบกลับจะมาหาท่านพระอาจารย์มัน่นพอดีมาถึงดงบังอี พอเพินข่าวทางบ้านเขาส่งให้ทราบว่าโยมบัรดาและพี่ชายป่วยหนักข้าพเจ้าเลยกลับปล่อยพยาบาลบัรดาและพี่ชายพอดีมัรดาและพี่ชายก็ถึงแก่กรรมทั้งสองท่านข้าพเจ้าก็เลยรีบจัดทำชาพนกิจศพสําเร็จเยังได้ขึ้นมานมัส ก, การท่านอาจารย์มั่น พอดีไม่ทันกับท่านไม่ได้เห็นใจท่านท่านมรณะภาพก่อนได้ทําแต่ชาปนกิจศพของท่านเท่านั้นขณะที่จัมมันสาอุปรมย ม, มันดาอยู่บ้านนั้นโย ม, มันดาที่บวชเป็นจีก็ได้ตั้งอกตั้งใจภาวนาและย ม, มันดาภาวนาเลยมาเล่าเรื่องเรื่องภาวนา ของแกให้ข้าไปเจ้าฟังว่าโยมได้ภาวนาบริกรรมไปว่าพุทโธพุทโธทอยู่แต่ในใจบางวันจิตมันลงไปใสบริสุทธิ์อยู่เฉพาะจิ ต, ตรว น, รวนไม่มีทุกขเวทนาเลยแสนที่สบายนี่โยมบรรดาเล่าให้ฟังเมื่อเป็นเช่นนี้มันเป็นอย่างไรนี่โยมบรรดาถาม พระพเจ้าเลยตอบโดยเผยๆว่าจิตมันรวมมันวางคาดมันอยู่เฉพาะจิตมันก็สบายแล้วให้มันรวมอยู่เสมอหายแต่ให้มีสติรู้ว่าจิตของเรารวมอย่าไปรบกวนจิตและอย่าบังคับจิตให้รวมให้รวมเองเมื่อจิตรวมก็ให้มีสติเมื่อจิตถอนก็ให้มีสติมาพิจารณากายของตนนี่และอย่าบังคับจิตให้ถอน ให้ถอนเองเลยแนะนำยมบนดาแต่เพียงแค่นี้ตามอุบายของท่นทานพระอาจารย์มั่นแนะนำนั่นเองและยมบนดาก็ไปภาวนาปฏิบัติตามแนวนี้และวันต่อมายมบนดาก็มาเล่าเรื่องของแกที่เป็นมานั่นแหละว่าจิตมันรวมตั้งแต่ย่ำค่าจนถึงรุ่งก็มีบางวัน โยมมรดากเลยพูดขึ้นว่าไม่มีใครตายมีแต่ผู้รู้รู้อยู่ผู้ตายไม่มีที่ว่าตายตายนั่นเพราะคนไม่รู้สมมติเพราะร่างกายธาตุขันนี่เป็นแต่เพียงสมมติมันไม่ตายมันตายไม่เป็นนี่โยมบรรดาว่าเพราะธาตุทั้งหลายดินน้าลมไฟมันมีอยู่เป็นธรรมดาเป็นของมีอยู่ประจำอย่างนั้นไม่มีอะไรตายเลยส่วนผู้รู้ก็ไม่ตาย มานดาว่าจะให้เอาอะไรให้เอาคู้รูนี่หรือเนยมัรดาพูดขึ้นท้าพระเจ้าก็ได้ตอบยมรรดาว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าเบื้องต้นท่านสอนให้กาหนดให้รู้ตามเป็นจริงเมื่อรู้แล้วละวางก่อยสลัดตัดขาดถ้าเรารูเราไปเอาความรู้ก็ชี้ว่าเราลใไม่ได้พระพุทธเจ้า ท่านว่าเมื่อเป็นผู้กําหนดรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วยาวะเดวะยารมัตายะยานคือความรู้กสัตต์แต่ว่ารู้ปติติสติมัตตายะสติความอาศัยรูปกษัตต์แต่ว่าอาศัยรูปเมื่อเธอเป็นผู้กําหนดรู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอา น, นิสสีโตใจวิหารติเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย นั่จักกินกิโลเกอุปดยจติย่อมไม่ ย, ยึดถืออะไรอะไรแม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งนี้ได้มีอยู่ในโลกดังนี้เป็นโอวาทคำสั่งสอนกระเตือนของพระสมบัติสมุทรเจ้าคำว่าไม่ติดยู่ด้วยหรือความรู้กรมิติคำว่าไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลก ความรู้นี่รู้ตามไปกินก็รู้โลกนั่นเองคือโลกกายวิรู้แจ้งโลกเมื่อรู้แจ้งโลกแล้วพะวางสลักันเท่านั้นให้ยมบรรดาไปพิจารณาเองพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างนี้นี่เป็นการเตือนยมบรรดาในขณะนั้นเมื่อยมบรรดาได้รับคําตัดเตือนอย่างนี้ก็ไปภาวนา ภายหลัจึงมาเล่าให้ข้าวเจ้าฟังว่าบัดนี้ยมรู้แล้วคุณลูกจะไปที่ไหนก็ไปเถอะอย่าเป็นห่วงยมบรรดาเลยว่าดังนี้และในพรรษาที่มาจำที่ไปจำร่วมกับยมบรรดาเพื่อสงเคราะห์ยมบรรดานั่นแหละเป็นพรรษาที่เจ็ดยมหน้าคือยายหน้าซึ่งเป็นน้อง สาวของโยมบันดาเกิดความสงสารข้าพระเจ้าโดยบอกลูกบอกหลานว่าห้ไปนิมนต์ท่านลาสกขาเสียเพราะสงสารหลานกูหลานกูมันทุกข์มันยากไปนอนอยู่ป่าอยู่ด่งหิวข้าวหิวน้ําไม่มีเงินใช้สอยทุกกระทาลําบากไม่มีลูกมีเมียเสียหนอเสียแนว นี่ยมหน้าบอกลูกหลานลูกหลานเขาก็เห็นพร้อมกันเลยแต่งขันไปนิมนต์ป้าพระเจ้าในราศีสิงหในพรรษาที่เจ็ดนั้นบอกลูกหลานชาวบ้านเขาก็ถือขันไปเข้าไปวัดป้าพระเจ้าเห็นอาการอย่างนั้นเลยถามก็ว่าอากันมาทําไมมากนักหรือขันมามีธะอะไร มาในมณ์อาตมาไปอะไรเขาตอบว่าแม่ใหญ่บอกลูกหลานบอกพวกผมมาในมต์อาจารย์ศึกศึกเพราะเหตุใดศึกเพราะว่าแม่ใหญ่สงสารลูกหลานมันทุกข์มันยากนอนป่านอนดง่งไม่ได้ลูกแต่แม่ไม่ได้เงินในท้องในมณ์อาจารย์ศึกไปว่าอย่างนั้นพวกผมจึงได้มาตามคําสั่งของแม่ใหญ่ อข้าพระเจ้าก็เลยประกาศก็ว่าเออดีละแม่ใหญ่มีความสงสารอย่างนั้นก็ดีแล้วแต่๋ยวพวกลูกหลานสงสารไหมสงสารครับว่าเออดีแล้วอาตมาจะประกาศให้ฟังการบวชอาตมามีสภาบวชเอาเองของบวชอาตมาคิดบวชเอาเองสะสมเอาเองไม่มีใครรู้บวชญาตพี่น้องไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนการศึกบวชญาติพี่น้องทั้งหลายอยากให้ศึก ต้องแต่งกอมสึกกองสึกถ้าไม่พบสึกออกไปเป็นบ้าจะรับรองเลยไหมเขาว่ารับรองได้ให้บอกมนาะแล้วประกาศอีกย้ำอีกว่าเอข้าข้างไหนจะมากกว่ากันข้างให้สึกมากหรือทําให้อยู่มากเสียงค่อยพิจารณากันเลยประกาศขึ้นใครอยากให้สึกพวกอยากให้สึกมากใครอยากให้อยู่พวกอยากให้อยู่มีเพียงห้าคน เมื s <S ่อเป็นชนิจึงกำหนดกองศึกให้เขาแต่งเครื่องศึกให้เขาเขาก็รับว่าจะทำได้กองศึกมีดังนี้หนึ่งหมวกตองเสื้อสันนอกชานในตามการเกงฑสันนอกชันในรองเท้านาฬิกาสายสร้อยก็ว่าได้เครื่องหนึ่งฟุกทำงานเขาก็ว่าได้ที่สองการ ชักโรกเสื้อผ้าใครจะรับเขาว่าได้สี่สามรถจักรยานยนต์คือมอเตอร์ไซค์สำหรับจานสิบใหม่ขี่ไปขี่มาได้ไหมเขาว่าได้สี่รถคดหนึ่งคัน <c oughs> เขาว่าราคาเท่าไหร่สมัยนี้ อย่างต่ำกหกหมื0นอย่างสูงกว่าหนึ่งแสนเมื่อเขาได้ฟังดังนั้นก็อ้อมก่แอมเสียแล้วชัดจะพูดไม่ออกเสียแล้วเขาว่าไม่ได้หรอกข้อที่ห้าให้ปลูกปราชาติบนอากาศไม่มีเสาปักดินนึกจกักนึกอยากไปที่ไหนให้ลอยไปได้ไหมเขาว่าไม่ได้หรอกอย่างนี้ที่หก ให้มียาป้องกันเกิดแก่เก็บตายเพราะศึกไปแล้วมันจะไม่ได้แกไม่ได้เก็บไม่ได้ตายให้มีอายุยืนยงคงทนหนุ่มแน่นอยู่เสมอเสมอได้ไหมคำว่าไม่ได้หรอกแล้วข้อต่อไปจันศึกใหม่ธรรมราศึกไปตามของคราวาัตต้องมีลูกมีเมียจะหาให้ได้ไหมอืมมีห น, น้าคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเออได้เรื่องนี้ผมรับรอง ลูกจ้าผมมีอายุถึงกปียกให้เลยไม่ต้องมีค่าสินสอดแน่ไม่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ได้ครบเครื่องศึกซึกออกไปก็เป็นบ้าไม่มียาปูว์ซื้ไม่ได้นับรองไม่ได้ให้ครบในจํานวนที่ประกาศให้ฟังนี่ได้ครบทุกข้อไหมทุกอย่างไหมไม่ได้เาอ า, าไม่ได้ก็หยุดกันเลยโอเคกันเลยอื ม, อม อย่างนั้นแหละนี่พรรษาที่เจ็ดเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้รีบเดินทางจะมานมัสการท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นแต่มาถึงดงมอีวิเวกชั่วขาวเพราะที่นั่นวิเวกดีก็พอดีญาติพี่น้องทางบ้านร้อยมาให้ข่าวว่ายมบานดาแล้วพี่ชายป่วยหนักแต่เราเร่งไปเยี่ยมประมาณหนึ่งเดือนยมบานดา ที่บวชป็ญชีและพี่ชายก็เลยถึงแก่อันนี้จะทำคือมรณภาพในการทำชาปนากิจศพสำเร็จแล้วรีบขึ้นมาหาท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นพอดีท่านก็มรณภาพแล้วไม่ทันท่านทั้นแต่การเก็บศพคือทำชาปนากิจศพถวายพระเพลิงท่านมาจัดทำอยู่นั้นเป็นเวลาเดือนหนึ่งอ่าเสร็จเมื่อเสร็จแล้ว พาพระเจ้าปรึกษากันกับท่านอาจารย์วันอุตโมเจ้าคุณอุดมหาษสุทธิตสังวรมหาเถระสมัยปัจจุบันเนี่ยที่ครูทำอดับทำอาภัยดำรงทำเอกนั่นเองสมัยนั้นปรึกษากันว่าจะไปเที่ยวทั้งปักใต้จังหวัดภูเก็ตซึ่งสมัยนั้นท่านเจ้าคุณเทศหรือท่าน พระอาจารย์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินมะเฟืงท่านไปประกาศาศาสนาที่นั่นท่านว่าดีแล้วตัดสินใจว่าจะไปทีนี้ท่านอาจารย์ขาวคือหลวงปู่ขาวอนารยโยวัดธรรมกองเพลนี่เองซึ่งแต่ก่อนไปเคยพบเห็นกันกันกบท่านหลวงปู่และท่านหลวงปู่ก็ไม่รู้ตาป้าเจ้าตาป้าเจ้าก็ไม่รู้ท่านท่านได้ทราบว่าขาป้าเจ้าไมา่จะา ก, การชาปนัดจิตจบ ซึ่งท่านก็ไปร่วมในงานนั่นด้วยแล้วกับพระมูพวกเดียวกันบอกทา่านสร้าบว่านี่คือท่านจวนท่านก็เรียกเข้าไปหาท่านเรียกเข้าไปหาแล้วสนทนาปลาัยกันไปพอสมควรแล้วท่านก็ไต่ถามว่าเมื่อเสร็จงานแล้วจะไปไหนก็เลยตอบท่านว่าจะไปเที่ยวปักเตาจังกัดภูเก็ตกับท่านเจ้าคุณเทศท่านว่าไม่ให้ไป ไอยู่ก็ผมที่ทำเป็ดดันกันอยู่อย่างนั้นแหละไปเลยคัดค้านท่านว่าผมจะไปปักใต้ครับท่านว่ามาให้ไปดันกันอยู่อย่างนั้นทีนี่ท่านก็เลยพูดให้ฟังว่าเวลาผมมาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วผมเข้าไปในวัดสการท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นถามผมนี่หลวงปู่เขาณรโย ว, วัดธรรมเกนพูดให้ฟังว่า ท่านขาวรู้จักท่านจวนไหมไม่รู้ออท่านจวนคนอำเภอนาดเจริญจังหวัดอุบลน่ะมาอยู่กับผมนี่แล้วให้ท่านนนัสากับท่านจวนนะอดูแลท่านจวนนี่ท่านท่านอาจารย์มั่นสั่งไว้กับผมเนี่ยเมื่อผมมาพบท่านแล้วผมจึงไม่อยากให้ท่านไปที่อื่นให้ไปอยู่กับผมเพราะท่านอาจารย์มั่นสั่งอย่างนั้นเมื่อท่านกล่าวถึงอย่างนี้ อาตมาก็เลยอ่อนใจนะพระพุทธเจ้าอ่อนใจไม่ไปเพื่อเคารพโอวาอทฝังตันพระอาจารย์มั่นจึงรับคําท่านว่าจะไม่ไปจะไปอยู่กับหลวงปู่ขาวนั่นเองท่านก็เลยรับรองทุกสิ่งทุกอย่างขารถ่าเรือท่านเสียให้หมดทีเดียวเอ้ยไปอยู่กับท่านหลวงปู่ขาวที่ทําเป็ดและก็ย้ายมาจำพรรษาที่ หลายชนอยู่ะเพื่อนข้าพระเจ้าท่านหลวงปู่ให้ประจําสาที่ทําพวทงทําภัยดํารงธรรมที่ท่านอาจารย์วันสร้างอยู่เดียวนี้ทําพวงนี้แต่ก่อนเป็นท่านที่ศักดิ์สิทธิ์และสําคัญมากการแต่งให้ไปอยู่องค์เดียวในฤ ด, ดูแล้งตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนเจ็ดอยู่คนเดียวอืมวินตบาดบันน้องบัว อามาะยะไกลร้อยกว่าเส้นร้อยสามสิบเส้นนี่แหละเดินวิงบาทบางวันก็ฉันตินเขาแล้วจึงขึ้นไปอยู่องเดียวที่ทาพวงนี้ตามประวัติเล่ากันมาท่านอาจารย์วันว่าทาหนึ่งที่เป็นทำนึเล็กดูทิศตะวันออกทางทาพวงระยะประมาณไม่ไกลจากทาพวงประมาณสิบกว่าเมตร มีพะระอรหันต์องค์หนึ่งซื่งว่าพระนรสีท่านมานิพพานที่นั่นถามประวัติว่า ท, ท่านอาจารย์มั่นท่านมาเคยอยู่เวกที่นี่แล้วเวลาจะเข้าใกล้ถ้ำนั้นห่างประมาณที่สองศอกท่านได้ถอดรองเท้าจะกราบไหว้ถ้านั้นเพราะเป็นถ้ำที่สําคัญทําที่พะระอรหันต์ไปนิพพานที่นั่นและที่ทําพวงนั้นแต่ก่อนยังมีรูหนึ่งลงไปรุดลงไปใต้พื้นเขา แต่ว่าจะลึกไทะไรไม่ทราบเป็นรูใหญ่ที่อยู่ข้ามทมพวงในขณะนั้นประวัติว่าท่านอาจารย์สิงห์ใหญ่ขันตยาขโมกได้ไปวเวกท่าว่าเป็นทํานากมันมาพ่นผิษท่านก็เลยเอาก้อนหินปิดไว้ให้แน่นเดี๋ยวนี้ไม่รู้วัาจุดไหนลาบลื่นมันไปหมดขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ทำพวงนั้นการภาวนาดีนักจิตรวมดี บางคืนรวมขัางระสามหนนก็มีอ่าอยู่มาอ่าสมัยนั้นเนนสุริศเดี๋ยวนี้เป็นมหาสุริศดูวัดฝังคนบุรีวัดเจมมะเขาเป็นมหาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเนนไปอยู่ด้วยคนบ้านน้องบัวนั่นเองอ่าบ้านคนสว่างน้องบัวนั่นเองเป็นผู้ไทยขึ้นไปอยู่ร่วมด้วยและปฏิบัติ อ่าในระหว่าง เ, เดินเจ็ดผ่านอาจารย์เพลงเลยเตชัปพโรที่ทันวรณาภาพแล้วเดียวนี่อาน้องปูขาวกับแดงผ่านอาจารย์เพลงขึ้นไปอยู่ให้รวมเป็นเพื่อนกันด้วยเพื่อรักษากันอายุนั้นภาวนาแปลกดีเวลาตอนบา 4, ่ายสามบ่ายสี่าพเจ้าออกเดินยกลมอ่ามีกระตายตัวหนึ่ง ออกมานั่งอยู่ข้างทางกลมๆตายน้อยตัวนั้นทุกวันทุกวันว น, นั่งหลับตาภาวนาอย่างนั้นแหละมันจะภาวนาหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่ามันนั่งหลับตาอยู่ริมทางกลมๆไตชิดประมาณหนึ่งศอกทัวนั้ น, นเนี่ยละเราเลิกจากทำกุญเพียนเดนุกรมเข้าไปที่ร้านมันก็เข้าไปด้วยแล้วก็มานั่งอยู่ใต้ร้านนอนอยู่ใต้ร้านถ้าได้ยินเสียงคน มาเสียงพอออกเสียงญาติโยมมามันก็วิ่งเข้าป่านี่กระตายน้อยตัวนี้สําคัญมากอืนี่เห็นด้วยตาตนเองอ่าแทบทุกวันทุกวันนั่นแหละมันมาเดินโยกมมาภาวานาด้วยกระตายน้อยตัวนี้ที่นี่โยมมาอมืพวกญาติโยมแม่ออกนมสีตาทั้งหลายเขาก็ขึ้นไปเที่ยวเขาแล้วไปส่งสเสบียงอาหารที่สาวของเน่นชุริตมหาสุริษนั่นเอง สาวผู้ไทยกำลังขึ้นใหม่อ่าต้นเขาไปส่งอาหารทุกวันทุกวันวันหนึ่งอ่าเขาฝัดทำตาหวานใสอามนไหลลิลิ ล, ล, ล, ล, ล, ลอ่ามองดูทุกวันทุกวั น, ก, วนก็เลยเกิดความกำนัดในตาของเขาว่างามสวยสาวคนนี้เพราะสาวขึ้นใหม่เป็นธรรมดาอ่าแต่เขาจะแสดงปฏิปฏิทิยาการอย่างไรทำไมทราบตามวัยของคนหนุ่มแต่ตัวยังเป็นไหม ในตาของเขาเมื่อหมายเข้าไปหลายวันก็เกิดจิตกำหนัดยินดีในสายตาของเขาภาวานาเห็นแต่สายตาของเขาอยู่ในใจดิลัดดิลัดดิลัดอยู่อย่างนั้นจิตไม่ลงพิจารณากรรมฐ า, านไม่เห็นแต่ตอนพิจารณากระดูก อ, อกเห็นเมื่อสายตาสาตาีตานุ่นมก็นั่นมาซับซ่ากับในจิตไม่เห็นเลยเห็นแต่พลัมงานของสายตาและหลุมหลังของเขาอยู่ในจิตอยู่ในใจ เป็นหลายวันจิตไม่สงบเวลาภาวนานึกถึงความนั่นนอด น, นึกถึงความนั้ น, นเลยที่นี่โยมมามีโยมผู้ชายสองคนถือโยมเล็กพอออกเล็กลก็พอออกนินเวลาตอนเช้าขึ้นมามาลามาสนธนากันใอยบางเล็กน้อยแล้วยมสองคนพูดว่า เอามาฆ่าช้างตายอยู่ที่นั่นแล้วเขาเผาเขาเผาช้า ง, าาางอะไปถามเขาว่าเดี๋ยวนี้กระดูกมันยังอยู่หรือยังอยู่ครับเขาบอกอย่างนั้นอ่าถ้ายัางนั้นแต่เอามาให้อาจะมาบ้างอ่าในขณะนั้นท่านจันเพ็งอยู่นั้นอยู่ร่วมกันและท่านจันเพ็งว่าเออต้องการกระดูกช้างจะเอากระดูกขามาทํายาสำหรับแก้โรคที่โมกท่านว่าอย่างนั้น แล้วข้าพเจ้าก็ได้สั่งโยมว่าให้เอากระดูกขาช้างมาให้นะสักข่อนสักขาโยมก็ได้ไปกับท่านจันเพงอ่าไม่ไกลจากทำพวงห่งางประมาณจากัจกสามเส้นเท่านั้นเองอืมพอไปเขาแบกขากระดูกช้างมาเลยอกระดูกแข็งมันข่อนหนึ่งประมาณจะคาดแค่ศอกนี่แหละอืใหญ่ มาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ฟันอะไฝ่นี่แหละอะเกี่ยวไฝ่ใส่กันเป็นเชือกแล้วก็ผูกก็ดูช่งางก็แขนคอตนเองอะแขนอยู่อย่างนั้นแหละตรงเตรงเต่งอย่างนั้นนะแล้วก็เดินดุก ม, มกกแขนนั่งภาวนากกแขนแขนคอแล้วก็สอนมันว่าสิ้นไม่ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่นั่งก็ดูแขนคออย่างนี้แหละ อาเธอภาวนาไม่เห็นร่างกระดูกไม่เห็นกระดูกในตนของตนแล้วเราจะไม่ปดไม่แก้ไม่เพื่องออกให้แต่มันอยู่อย่างนี้ดูจักไว้กองกระดูกกระดูกภายนอกกระดูกภายนในก็เหมือนกันเนี่ยเราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่ง <S <S นี่เทศให้มันฟัง <S <S มันไม่สงบหมายแต่สายตาของเขาอย่อยางนั้น <S <S แลวก็มีอุบายว่าธรรมดาควายตัวไหนมัน มันดือมันด้านมันไปหาอะไรเขาหาเขารั่วเขาสวนเขาเขาต้องแขนโคนแขนไม้ใส่โทรศรรมมันอย่างนี้นะแล้วก็แขนกระดูกชา้างเดินโยกมืก็แขนนั่งภาวนาก็แขนอย่อย่างนั้นเว้นเสียแต่นอนนะหายิตไม่สงบไม่ถอนจากสายตาของเขาไม่แกวให้นี่อนะ ในอวัดทรมานมันแล้วก็บานที่ก็เคี่ยวมากนะหินมากนะมวลมาตรงก็ถูกกระดูกจางแดงอย่างนั้นแหละอ่าดูมาปิดก็เลยถอนจากใต้ตางเขาได้รับความสงบถึงแก่กระดูกจางออกจากคอของตนตอนเอากระดูกจางแขน่อเดินจนกลมนั่งภาวนานั่นแหละวันหนึ่ง ท่า น, น, นพระจย์เพงเตชะพโรได้มาเห็นข้าพเจ้าเอากระดูกช้างแหวนคอเดินมุ่มนั่งภาวนาท่านก็เลยเกิดเป็นหัวเราะปากใหญ่เลยอืจะสําคัญว่าข้าพเจ้ามีจิตวิปรรัสสนาเื่อนหรือเป็นบาทย่างไรก็ไม่ตักพอรุ่งเช้าลงไปบินตบบาทท่านพระจัน เ, นเพงเตชะพโร ยังได้ไปกับเรียนท่านหลวงปู่ขาวอนารายโยที่จำพรรจาอยู่ตินดอยเป็นภูเล็กคือที่ไหว้สนอยนั่นเองว่าปูบาจวนเอากระดูกช้างแขนคอเดินจงกลมและนั่งภาวนาแล้วก็เที่ยวมากมื่อ น, น้ำมากลงปูกระดูกช้างแดงมาละปูบาจวนทำอย่างนั้น เห็นจะเป็นบ้าจะแล้ววิปริตจะแล้วจึงทําเช่นนั้นนีนท่านพระอาจารย์เพ่งไ ป, ปะเรียนท่านหลวงปู่ขาวท่านหลวงปู่ขาวได้ฟังดังนั้นท่านพิจารณาแล้วตอบว่าเอ้ยไม่ใช่คนเป็นบ้าไม่ใช่คนมิปริตอันนี้เป็นอุบายของท่านต่างหากท่านมีเหตุจําเป็น ท่านจึงใช้อุบายอย่างนี้ถ้าคนเป็นบ้าไม่ทําอย่างนี้นี่เป็นอุบายสําหรับท ร, รมานท่านต่างหากตรงจะเหตุใดเหตุหนึ่งเราจงคอยฟังไปอย่าเพิ่งเข้าใจว่าท่านเป็นบ้าเลยในท่านหลวงปู่ขาวพูดกับท่านพระอาจารย์เป็นเตชะประโรดูมาเมื่อจิตมันสงบวางจากสายตาของเขา ได้รับความสงบเป็นปกติสบายการพาฒนาจิตก็สบายข้าพระเจ้าจึงได้เอากระดูกช้างออกจากคอไม่แกนคอแล้วภายหลังวันต่อไปจึงไปกับเรียนท่านหลวงปู่ขาวอนราร ย, ย์คือไปนวัตการท่านท่านก็ชักสามบาทท่านตวนท่านทำไม เราก็ดูช้างเ ด, ดินคอเดินมัดกลมนั่งภาวนาก็เหตุอะไรอ่พระเจ้าก็เลยเรียนถวายท่านว่าเพราะเหตุว่าขณะนั้นศรีกาสาวหนุ่มที่บ้านคนสว่างเขาไปส่งอาหารแค่ทุกวันแล้วเขาเแสดงสายตาของเขาดิด้ดดดดนัดดิ้นรัดหวานเมื่อหลายวันก็หมายในสายตาของเขา เมื่อภาวนาลงจิตก็หมายอยู่ในสายตาของเขาที่อยู่ในจิตมันไม่สงบฉะนั้นกระผมจึงหาว่ายเอากระดูกช้างมาแตนกรอเดินในกลมและภาวนาเพื่อทรมานมันแต่ก่อนเพ่งกระดูกอกของตนเห็นชัดทีนี่เมื่อคิดถึงสายตาของเขาแล้วพิจารากระดูกอกของตนไม่เห็นชัดจึงเอากระดูกช่างซึ่งเป็นกระดูกตัด เหมือนกันมาเป็นจักขี้พยานแขนคอภายนอกเพื่อน้อมเอากระดูกที่แขนคอนั้นเข้าไปสู่กระดูกอกที่แขนคอภายในของตนว่ากระดูกที่แขนคออยู่ข้างนอกกับกระดูกที่แขนคออยู่ข้างในก็เป็นกระดูจกจัตว์เหมือนกันทําไมท่านยังไม่เห็นถ้าท่านไม่เห็นเราก็ไม่แก้เอาให้นี่แหละท่านจะไปหมายเอาสายตาของเขา วอรันท่านว่าเนื้อไม่ได้กินหนังแม่นั่งกระดูกแขนกรอต้องแต่งตงแต่งอย่างนี้และอุบายอีกผมก็สอนได้อุบายสอนตนอีกว่าอย่างนี้แหละธรรมดาวายตัวไหนมันห้ามันกขนองอ่มันเดินมันด้านมันไปหาชนเขาไหล่เขามันไปเข้ารั้วเข้าสวมเขา เขาต้องทรมานมันเอาไม้ยาวๆมาแขนคอมันเพื่อให้มันละพย์อันไยเมื่อมันละพยศอันไรแล้วเขาจึงเอาไม้ออกจากคอมันนี่ได้เรียนถวายท่านหลวงปู่เก๋าให้ทราบท่านหลวงปู่ก็เลยย้อนถามว่าเมื่อท่านทำเช่นนี้เป็นยังไงะ่ะมันหายไหมได้ผลไหมไรตอบทา่านได้ผลครับได้ผลดีหายเลยครับ จิตสงบดีแล้วผมจึงกดออกแก้ออกจากคอของตนดังนี้แล้ ว, ออออออลวท่านได้ฟังดังนั่นท่านผมวราและประชมเชยว่าแม้อุบายอย่างนี้ชอบเกินนักท่านฉลาดคิดได้เรายังคิดไม่ได้เลยและท่านก็เล่าเรื่องของพระจันเพียงว่าท่านเพีงมาบอกผมนี่แหละว่าท่านจวนผู้บาดจวนเป็นบ้าจิตวิปริต เขาก็ดูช้ามแขนคอเดินทุกลมและนั่งภาวนาผมก็ยังไม่เชื่อนี่อุบายอย่างนี้ชอบคนท่นานว่ะดีนักไ ด, ด้ผลดีท่านกับเตมเชยดังนี้ในขณะที่จำสาอยู่ตำปวงนี้ชอบมีนิมิตแปลกๆและจะเล่าให้ฟังเพื่อประวัตินี้สมบูรณ์และเพื่อผู้ฟังถือเป็นกติ ต่อไปขณะที่ทํากัมเพียนภาวนาอยู่ทําพวงนั้นบ้างวันจิตมันสงบมันรวมลงนะบานครั้งเห็นภาพรูปภิมิตของยมบรรดาผู้วรรณภาพไปแล้วก็มีบ้านครั้งเมื่อจิตมันสงบหรือมันรวมมันจะรวมลงก่อนมันจะรวมแต่ยังไม่ขาดจากอารมณอยู่ในระหวา่างที่จะรวมแหลไม่รวมแหลบ้างที่ได้ยินเสียงเขาราเขาร้อง ในจัมพ์ควมลำของเขาและโอาา้แล้วนอวัยสนนอยกัแม่น้องดีบุกนี่ในจัมไหนอันที่จริงที่วายสนนัยเป็นแหล่ดีบุกอยู่นันเองด่มและบางครั้งได้ยินเสียงแต่เสียงสังที่เป็นเสียงทิพในขณะที่กิดรวมแหล่ในรวมแหล่นั้นเด่นอยู่ในระหว่างกึ่งกางการรวมและการไม่รวมทีนี้ข้าพเจ้าก็กําหนดฟังเสียงนั้น แล้วเพลิดเพลินตานเสียงนั้นเพราเสียงนั้นเพราะสนุกจริงๆแล้วจิตก็ถอนจากการรวมเมื่อจิตถอนจากการรวมก็มีสติตามเสียงนั้นอยู่ว่าจะเป็นเสียงอะไรแน่อพอจิตถอนมาอยู่โดยธรรมดาแล้วที่ไหนได้มันเป็นเสียงน้ําที่มันตนจากหินที่มันตกจากหินและเสียงลมพัดใบไม้ อ่ามันกระทบกันต่างหากนี่แหละก็เลยมาได้อุบายว่าออเมื่อจิตมันละเอียดลงไปอ่าถ้าเราไม่มีสติกระทบเสียงอะไรเสียงนั้นก็เป็นเสียงที่มีจิตพิจารณาขึ้นไปอืมเลยมาได้คติตอนนี้อเอกนิมิตภาพหนึ่งระยะต่อมาอืมได้เกิดนิมิตอีก ในขณะนั้นปรากฏว่าข้าพเจ้าอยู่ในกุฏิแห่เงเด็กหลังหนึ่งแล้วในกุฏินั้นมีหม้ออัฐิคือกระดูกข้าพเจ้าเลยเข้าไปนั่งเช่นภาวนาอัฐินั้นอยู่ในท่านใดนั้นมีเด็กคนหนึ่งถือดาบคมเรื่มในคมดาบนั้นมีสนิมกินไปทั่ว เด็กคนนั้นจะมาทําอันตรายฆ่าพระเจ้าแล้วเอาดาบนั้นแทงแยกขึ้นตามช่องของกุติหลังจะให้ถูกฆ่าพระเจ้าแทงเท่าไรก็ไม่ถูกถ้าไม่ถูกแล้วเขาเลยบอกว่าจะไปบอกพี่ชายของเขามาฆ่าให้ตายเขาเลยกลับไปบอกพี่ชายของเขามาฆ่าฆ่าพระเจ้าให้ตายที่อยู่ในกุฏิ ทีนี้พี่ชายของเขาก็มาถือดาบเล่มนั่นมาพอดีมาถึงข้าพเจ้าเขาจะประหารข้าพเจ้าให้ตายจะตัดคอเลยข้าพเจ้าเลยถามเขาว่าข้าพเจ้ามีความผิดอะไรจึงมาประหารข้าพเจ้าไม่มีความผิดอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรว่าอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อเขาเลยมาจับเอาผมที่บนศีรษะของข้าพเจ้า แล้วจะเอาดาบแรกคอข้าพเจ้าให้ตายข้าพเจ้าก็เลยประกาศกว่างเอ้าถ้าข้าพเจ้ามีความผิดฆ่าเลยอืมข้าพเจ้าไม่มีความผิดฆ่ายังไงก็ไม่ตายดาบนี่จะมาแล่ปาดคอข้าพเจ้าก็ไม่เข่าอืมถ้าผู้ถือพระรัตนใจหรือพูดถึงพระรัตนใจแล้วฆ่าไม่ตายนี่ประกาศเขาต่อจากนั้นเขาก็ จับผมข้าพรเจ้าแล้วก็ดับมาแรกก็ข้าพรเจ้าปาดคอข้าพระเจ้าหวัง จ, จะให้ขานแล่ไปเท่าไรเท่าไรผมดับก็ไม่เข้าอืไม่เขา้าพอข้าพรเจ้าไม่บาดแม้แต่นิดหน่อยอืมําเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่เข้าเมื่อหมดความสามารถของเขาเขาก็เลยวางดาบับวางดาบเขาก็ยกมือไหวเขาประกาศว่าแต่ ต่อตอนนี้ไปขอเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันไม่อิจฉาพยาบาทกันเลยนในนิมิตรภาพนั้นจะเป็นเหตุบังเอิญด้วยประการใดก็ไม่ทราบนะเปนอย่างนั้นอีกมาสมัยหนึ่งั น, นแหละอยู่ท่ามพวงกันเนี่ยสมัยนั้นข้าพเจ้านั่งภาวนาก่อนสว่างอยู่ในกุฏิได้เห็นสุนัขตัวหนึ่งมานั่งเฝ้า ข้าพเจาเลยพิจารณาไปฟาสรางก็ไปบิณฑบาตบินณฑบาตก็ถูกตัวนักตัวที่นั่งออ ก, ก็กลัดแต่มันกัดไม่เข้าต่อมาตุนักนั่นอีกสามวันก็เลยตายนี่ตามข่าวชาวบ้านเพราะว่าตัวนักที่กัดกูบายจนตายเลยอาจะเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะเหตุอะไรเราก็มาได้เจตนาให้เขาตายเขาตายเองอนี่ในภรรษาที่แปดจำที่ทําผัวขอจบ เพียงพันศาที่8ปดเท่า น, นี้เพราะหมดม่วนแล้วขพรผูกฟังขทานล้น